ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอย่าเลวอย่างกาโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่8ธันวาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะชื่อกากาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่ 6, ข้อที่ 77. อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงภิกษุผู้ลามกนะภิกษุผู้ลามกก็หมายถึงว่าภิกษุผู้ที่บวชมาแล้วแล้วก็ยังยังหยาบ นะคําว่าลามกเนี่ยยังยับช้ายังเรวซามยังยังเสื่อมยําต่ําอยู่มากก็เรียกว่าลามกแต่บางทีทุกวันนี้เราไปอะไรอ่ะสัญญาหรือว่าไปกําหนดกันแต่ลามกนี่เป็นแบบทะลึ่งนะเป็นแบบเอออนาจารเป็นแบบอะไรทางกามไปนู่นเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆสานวนคําว่าลามกนี่หมายถึง หยาบช้าเลวรามซึ่งไ ม, ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแต่ในเรื่องของกรมหยาบอย่างอื่นก็กเรียกว่าลามกแล้ตอนนี้พรเจ้าเกตะถึงภิกษุผู้ลามกประกอบไปด้วยอสััตอสัทธธรรม10บประการนะเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุที่เลวที่หยาบมากมากเนี่ยประกอบไปด้วยอสัทธธรรมสิบประการ นะถ้าเป็นสัตธธรรมก็หมายถึงธรรมะของคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเป็นอสัตธธรรมก็หมายถึงว่าไม่ใช่ธรรมะที่ดีที่แท้ไม่ใช่ธรรมะที่ททถูกต้องนะเป็นธรรมะ ท, ที่ยังไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะก็ใช้คำว่าอสาัทธธรรมเป็นเหมือนกับกาประกอบด้วยอสัทธธรรมสิบประการข้อที่หนึ่งเป็นผู้มักกำจัดสั้นๆแค่นี้นะภาษาบาลีเข้าอะไรทัศีหรือไงเนือทะศีเป็นผู้มักกำจัดหรือว่าขาจัด นนสั้นๆแค่นี้แต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยจะหมายถึงว่าขาจัดคุณของคนอื่นคือคือถ้าคนอื่นเ็าจะมีความดีหรือคนอื่นเ็าจะทำดีอะไรพวกเนี้ยนะเรามักที่จะเบียดเบียนมักจะทำลายทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำดีได้หรือว่าไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัต ในสิ่งดีๆนั oh, ้นน anyway> ่ะต่อไปจะเป็นพ like ิกสูก็ตามหรือไม่ใช่พิกสูหรอกก็เป็นชาวบ้านชาวช่องเนี่ยแหละใครก็ตามที่มีนิสัยแบบเนี้ยที่บางทีแล้วหวาดระแวงบ้างกลัวบ้างความกลัวมันทำให้ทำร้ายคนอื่นนะเหมือนกับเห็นไหมว่าบางทีบางคนเนี่ยกลัวงูกลัวงูเนี่ยพอเห็นบั๊บนี่ข่างูก่อนเลย ยิงแมงสาบเนี่ยมัต้องพูดถึงเลยพอเห็นแล้วก็เหยียบเลยคือมันเป็นความกลัวแบบชนิดที่บอกกลัวว่าเดี๋ยวจะทําร้ายเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเป็นภัยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดการมันก่อนอันนี้เป็นความกลัวอย่างหนึ่งนะเหมือนกับบางทีเนี่ยอะไรอะไอที่เขามีสงครามกันเนี่ยบางประเทศอะไอ้กลัวว่าเดี๋ยวไอ้นั้นมันจะมาโจมตี ประเทศเราเพราะนั้นเราก็ต้องโจมตีมันก่อนเน <c oughs> ค, ความกลัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของของนิสัยแบบกาเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจะเบียดเบียนจะทำร้ายคนอื่นเขาอยู่เสมอเลยไม่รู้หละเขาจะดีหรือว่าไม่ดีก็ตามแต่ละแต่ป้องกันตัวเห็นแก่ตัวของตัวเองยังไงเอาตัวรอดเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนเพราะนั้น ทำลายคนอื่นเขาทำร้ายคนอื่นเขาก่อนไม่เป็นไรนี่นนี่คืออุปนิสัยซึ่งเป็นอสัตถ ธ, ธรรมวันสังเกตไหมว่าถ้าพอมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนิสัยอันนี้ของเราจะลดลงความหวาดระแวงความกลัวนูน่นกลัวนี่ของเราจะลดลงวันขานี้เนี่ยจะไปเล่นงานคน อ, อื่นเขาก่อนหรือว่าอะไรก่อนเนี่ยเราเราเริ่มจะมีความกล้ามากขึ้น ในการที่จะบางทีเอเอเอกล้าที่จะเสียสละได้บางทีกล้าที่จะยอมได้กล้าที่จะให้อะไรบางทีให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือคนอื่นขึ้นมาได้บ้างไม่อย่างงั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยสังคมส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยช่วยกันเขาไม่อะไรเลยเพราะเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซวยคืนคืนช่วยหรือว่าคืนเมตตาคืนอะไรไปแล้วเดี๋ยวโดนอะไรโดนแว่งกัด เดี๋ยวจะเป็นแบบชาวนาช่วยงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็จะคิดแต่มุมลบเงี้ยคิดแต่มุมหวาดระแวงเพราะในในที่สุดก็เลยเลยกระด้างแล้วก็จัดการคนอื่นก็ก่อนเสมอเพราะเนี้ยท่านเอานี่สายการนี้ก็มาเปรียบกับพิกสุก็ตามหรือเปรียบกับใครก็ตามอันนี้เราไปสำรวจ ด, ดูตัวเราเองแล้วกันน่าจะฐานะไหนก็แล้วแต่ไปสารวจ ด, ดูว่า เราเนี่ยยังมีความหวาดระแวงมีความกลัวทํานองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะยิ่งใครบางทีใครรวยรวยหรือว่ามีเงินทองมากๆหรือคุณมียศศักดิ์มีอะไรต่างต่านะที่บางทีคนโน้นคนนี้จะมาหวังพึ่งหรือว่าจะมาหวังขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือมงระแวงอันเนี้ยเป็นตัวระแวงหนักเลยสังคมทุกวันเนี่ยระแวงกันมาก ยิ่งบางทีถ้าพูดถึงเรื่องสามีภรรยาหรือว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยโอ้โหระแวงหนักนะบางทีใครมาเข้าใกล้แฟนเราหน่อยก็เอาแล้วเริ่มละเริ่มละเริ่มระแวงแล้วคิดละคิดจะกำจัดหรือคิดจะขจัดละใครใครเข้ามาใกล้รักสมีแฟนฉันนะเริ่มและโอ้โหยิ่งใครที่ขี้หึงขี้หวงนี่อาการหนักมากเลยนะ ไม่รู้นะพวกคุณเคยเห็นเคยเจอบ้างหรือเปล่าโอ้โหคนที่ขี้ถึงกี้หวงนี่แรงจริงๆเลยอย่าว่าแต่พูดกันเลยนะบางทีแค่มองหน่อยเดียวยังไม่ได้เลยอะโอ้โหแค่แงะมองหน่อยอะมองทำไมนี่แฟนฉันโอโอาการหนักหนักจริงๆบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจะเล่นงานจะจัดการใครต่อใครเขา ยุ่งเยิงไปหมดเลยวุ่นวายถึงบอกเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยเป็นนิสัยของอสัทธธรรมมันคือไม่ใช่นิสัยที่เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเป็นนิสัยในแง่ลบในแง่ร้ายในแง่ผิดในแง่บกพร่องถ้าใครยิ่งมีใครยิ่งเป็นเนี่ยก็จะยิ่งทําร้ายทําลายคนอื่นเขาต่อให้เขามีคุณความดีมาเนี่ยเราก็ ไม่สนทั้งนั้นแหละนะจะดีหรือไม่ดียังไงมาก็แล้วแต่จัดการเขาเลยล่ะยิ่งบางทีเนี่ยคนเขาเจตนาดีเขาเมตตาเข้าใจดีจริงๆเลยเขาหวังดีเขาจะมาช่วยเหลือหรือเขาจะมาอะไรเนี่ยนะแต่มันระแวงซะแล้วมันสะสมมาจนกระทั่งไม่เชื่อไม่ไว้ใจเขามาช่วยเขาเขามาช่วยเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรจากเรา มันกลายเป็นหวานระแวงอะไรพวกนี้ไปหมดเลยราะถักใครเนี่ยมีนิสัยแบบนี้นะโอ้โหยากและลำบากอยู่กับใครก็ยากบางทีมีแฟนเนี่ยแต่งงานแต่งการไปเนี่ยนะก็ยังอยู่กับแฟนยากเลยส่วนใหญ่สุดท้ายเนี่ยนะถ้ามีนิสัยลักษณะนี้ลงเอยเนี่ยในที่สุดก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็ต้องเลิกลาอะไรกันไปหรือถ้าไม่เลิกลากันไปก็ต่างกนต่างอยู่อ่ะ เพราะมันอยู่ร่วมกันไม่ค่อยได้ห่อนหวาดระแวงแล้วก็ใครจะทำอะไรมาก็ไม่เชื่อทั้งนั้นแ่ะว่าเขาจะทำด้วยเจตนาดีมันจะคิดในแง่ลบไปหมดเลยนะเพราะนั้นอันนี้คือนิสัยข้อที่หนึ่งที่พรุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ว่าอันเนี้ยเป็นอสัตถ ธ, ธรรมนะคือธรรมะของคนเลวพูนี่ยความเชื่อถือหรือความคิดแบบของคนเลวๆมักจะคิดแบบนี้ เพนก็จะเป็นคนที่มีนิสัยที่จะกําจัดคนคนอื่นหรือหรือกําจัดความดีของคนอื่นเขาอยู่เรื่อยๆนะข้ะอที่สองคนนี้ข้อที่สองก็จะมีนิสัยขนองนะปักขับโพนินสัยขนองคือคึกคึกขนองคือคึกขนองบางทีก็พูดอะไร เกินเกินเลยหรือบางทีก็อะไรอะ่ะพูดอะไรไม่คิดนะขนองสนุกไม่อายอะ่ะบางทีไม่อายไม่กลัวชนิดที่เรียกว่าฉันนึกอย่างนี้ชันแผงแผงนะบางคนมีเมื่อกี้นะไอขนองอางเนี่ยแผงแผลงทำอะไรไปโดยชนิดที่เรียกว่าไม่คิดอะไรมากอะ่ะคิดแต่ว่าตัวเอง อยากจะทำนะมันสนุกมันแหมเพลินดีนะตัวเองอะ่ะมักจะคิดอย่างนี้แล้วก็ขนองเสียแล้วก็ทําอะไรไปโดยที่ไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นหรือบางครั้งก็ไม่คิดแม้แต่วัฒนธรรมอันดีงามหรือจารีประเพณีหรือแม้แต่ศิลธรรมบางทีไม่คิดอะ่ะ นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ท่านจัดกับภิกษุก็ตามนะจริงๆภิกษุต้องมีศีลเป็นของตัวเองใช่ไหมต้องมีวินัยเป็นของตัวเองที่จะต้องระมัดระวังดูแลรักษาแต่บางทีเนี่ยเห็นไหมไอความขนองเนี่ยมันทําให้ลืมตัวบางครั้งก็ทําอะไรไปโดยที่แหมมันมัน่ะมันมันมัน่ะมันสะใจอ่ะก็ทำไปอย่างเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วในวินัยของภิกษุก็ตามหรือ พวกเราถือสินห้าสินแปดสิสิบอะไรพวกนี้ก็ตามบางครั้งเนี่ยข้อห้ามมันก็มีอยู่แล้วว่าว่าไม่ควรไม่เหมาะคําว่าข้อห้ามหมายความว่าว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่น่าไปกระทําแต่พอตอนที่ใจเราเนี่ยมันนึกแหมขนองขึ้นมามันทํามันไม่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอะ่ะจะทะําอ่ะซึ่งอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้ต้องระวัง นะั่มีบองกันซึ่งบางคนที่ไม่ค่อยฝึกฝนไม่ค่อยบังคับใจตัวเองพอเวลานึกขนองอะไรขึ้นมาหรือนึกสนุกอะไรขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเอาเลยนะมีทำแผงลงๆยิงๆบางคนอ่ะจนทุกวันเนี้ยโอโ้ยิ่งแผงหนักเลยถ้าใครบางทีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าไปสังไปฟังข่าวๆแรงต่างๆเรื่อ ง, ง, องแผลงๆเยอะมากเลยบ้าๆบอๆ เยอะมากจนจนเขาไปลงหนังสือพิมพ์บ้างหรือบางทีเขาก็อะไรนะให้อยากให้คนรับรู้อะทําอะไรที่มันเด่นๆ ด, ดังๆอะเขารู้สึกว่ามันเด่งๆดังๆนะแต่จริงๆแล้วก็โอ้ยแผงแผลงแต่มาบางครั้งเนี่ยเห็นไอ้พวกสารคดีหรือรายการที่เขาบีทางทีวีพวกเนี้ยโอ้ยแผงแผงเยอะเลยบ้าบ้าปบเยอะ จ น, จนบางทีนึกอยู่โอ๊ยทํามันได้ยังไงแล้วทำไปมันจะได้อะไรเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหรือบางทีก็เห็นไหมล่ะไปกินอะไรแผงๆน่ะเดี๋ยวเนี้โอ้โหสารพัดเลยคนเนี่ยแย่มากๆเลยนะลามก <c ười> คือหยาบช้าเร็วซ้ำมากๆคนเนี่ยสัตว์อื่นนี่มันยังกินไปตามธรรมชาติของมันใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยไม่ได้กินตามธรรมชาติเลย กินแผงแลงๆริงๆกินหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้จิ้งจกตุกแกงูเงือไม่เหลือเลยคนเนี่ยตะกะตองตะกระแตงหมดหมดกินหมดถึงบอกว่ามันขนองอะไรไปไม่รู้หรือเอายกตัวอย่างพวกกระเทยบ้างพวกกระเทยก็ก็ขนองแผงแผงเยอะเลยเดี๋ยวนี้ยแต่ก่อนเขาก็เหนียบๆไม่อายไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกสักเท่าไหร่ เพราะก็กลัวสังคมตาหนิว่าเอาเพราะว่าเขาไม่ได้ยกย่องอะไรแต่ทุกวันนี้ไอ้แม่โอ้โหแผลงหนักแล้วก็กล้าแสดงออกมันกล้าเกินเนี่ยเกินเกิ น, กนพอดีหรือว่าเกินงามไปบางทีพวกกระเทยอะนะกระเทยที่เขาสงบสงเี่ยมเจียมตัวแล้วเขาก็ทําตัวดีก็มีแต่ไอ้พวกเวอรก็เยอะ นะจงกระทั่งบางทีโอ้แสดงรามกอนาจารอะไรก็มีอีกมากมายเลยอันนี้อันเนี้ยวันนี้คือนิสัยข้อที่สองที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่ควรมีนิสัยพวกนี้คือนิสัยที่ไม่ควรมีไม่ควรเป็นมันถ้าเราเนี่ยฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเลิกนิสัยขนองนะอย่าไปเอาตามโลกโลกโลกโลกทุกวันนี้เนี่ยอะไรยิ่งแปลก อะไรยิ่งใหม่อะไรใครไม่เคยทํานะไอบ้บา้บาบอเสียงกันเสทองมากมายมหาศาลยังไงช่างเหอะไม่สําคัญขออย่างเดียวว่าแหมให้มันโด่งให้มันดังให้มันเด่นนะเอาละทานะบา้บาบอยังไงก็ช่างนะทำนะเพรา ะ, ะนั้นเลิกซะนิสัยขนองแบบนี้บางทีทั้งสูญเสียชีวิต ทั้งสูญเสียทรัพย์สินเงินทองทั้งสูญเสียเวลามากมายมหาศาลเลยบางทีที่ทําไปนะอันนั้นข้อที่สองอส่วนข้อที่สนิสัยทะเยอทยานนะตินติโนนิสัยทะเยอทยานหรือพูดง่ายๆว่ามีความทะยานอยากเนี่ยมากทะเยอทยานพวกนี้นะคือบางทีเนี่ยมันมันอะไรอ่ะมัน มันไปในทางที่ไม่ดีอ่ะทะเยอทะยานอันนียเหมือนกับหลงตัวเหมือนกับที่อยากจะได้อะไรแล้วก็ต้องเอาให้ได้ตามใจเราใครจะมาขัดใครจะมาขวางใครจะมาติมาเตียนหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เอาเราไม่ยอมทั้งสิ้นอนะ่ะบางทีฟังยังไม่ยอมฟังเลยหรือบางทีฟังแต่ว่าก็ไม่เอาด้วยก็ไม่รับรู้ด้วยไม่มีการ เอามาคิดเอามาแก้ไขหรือเอามาเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีนิสัยที่บางทีทยานยากมากใครๆห้ามยากนิสัยอันนี้นะถึงถึงใช้คำว่าทยานทะเยอทยานนะถึงบางทีเนี่ยเราดูหนังดูละครที่เขาบางทีทำเป็นหนังบ้างหรือจากเรื่องจริงก็ตามที่เราได้พบได้เห็นบ่อยๆเนี่ยอันนี้จะเห็นเลย แล้วส่วนใหญ่ในโลกในสังคมทะเยอทะยานเนี่ยมักจะทะเยอทะยานแบบไหนลาบยศเ ส, สริเสริญสุขอะไรพวกเนี่ยแบบโลกีเนี่นะโอ้โหทะเยอทะยานหนักหนักจนกระทั่งอยากขวางนะใครขวางนี่บางทีนี่เขาเก็บกันเลยอะ่ะเพราะว่าเขาต้องการขึ้นไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่เขาต้องการให้ได้มันโลกสังคมเนี่ยมันถึง เลวร้ายมากๆเพราะว่ามีตัวทะเยอทยานในทางที่ไม่ดีเนี้ยหรือเราจะใช้คําว่าตันหาก็ตามเป็นตันหาที่เป็นกามตันหาหรือเป็นตันหาที่เราเรียกว่าภาวะตันหาสองอย่างนี้เป็นตันหาที่ไม่ดีเป็นตันหาที่ลามกเป็นตันหาที่ยังเลวซามอยู่นะคำว่าตันหาเนี่ยก็แปลเป็นไทยก็เนี่ยความทยานนี่แหละ นะความทยานอยากต่างๆจะมีอยู่อย่างเดียวเท่า น, นั้นก็คือที่พ่อท่านพูดถึงวิภาวะตัณหานะคือตัณหาที่เป็นไปในอุดมการในทางที่ดีในทางที่ลดกิเลสในทางที่อะไรช่วยเหลือผู้คนให้ให้เห็นธรรมะหรือให้ได้รู้จกัก ศัจธรรมของชีวิตตัณหาอย่างนี้ยิ่งมียิ่งเป็นยิ่งรู้หรือว่ายิ่งทําได้กิเลสยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอันตรายสําหรับเราแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายสําหรับคนอื่นถ้าเป็นวิภาวะตัณหาแต่ถ้าเป็นการมาตัณหาตัวที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหยิ่งโลภยิ่งอยากได้อยากรวยอย่างเนี้ย โล่แบบโลกี้เนี่ยอยากรวยเมื่ออยากจะรวยก็สแสวงหาต่อให้ทำงานแบบอาชีพที่สุจริตแต่เมื่ออยากรวยไปไงโอ้โหอาจจะเอารัดเอาเปรียบอาจจะคิดเอากำไรเขาผู้คนเนี่ยเอากำไรมากๆเพื่อที่จะได้โอ้จะได้รวยเร็วๆอ่ะนั่นเนี่ยถ้ามัทะยานอยากในลักษณะเป็นเรื่องเงินทองแต่ถ้าถ้า พยานอยากแบบในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงอั น, นเรื่องของกามอ่าถ้าอยากได้ขึ้นมาก็ไขว่คว้ามาให้ได้ไม่รู้แหละจะยังไงก็ต้องเอาให้ได้ใครจะทุกข์ใครจะร้อนใครจะอะไรยังไงไม่สนใจขอให้ชั้นได้มาเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นปัญหามากเลยอแต่อันนี้เรายังเห็นง่ายนะเพราะว่ามันเป็นตัวตนเป็นวัตถุเป็นแท่งก้อน อยากจะได้พวกนี้เนี่ยยังเห็นเห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นภวะตันหาขึ้นมาเป็นความทยานอยากในด้านของของทางด้านจิตใจนะในด้านของภายในละติดเพติดความสุขสบายนะเอาคำนี้ชักสูงขึ้นเป็นความทยานอยากยังเป็นกิเลสอยู่แต่ว่ามันชั้นสูงขึ้นมา ถ้าจะเรียกว่าเป็นนรกก็เป็นนรกชั้นสูงไม่ใช่นรกชั้นหยาบหยาบต่ำๆแล้วนะเป็นความใคร่อยากเป็นความปรารถนาในแง่ที่เสพทางจิตใจบางทีไม่ต้องไปเด็ดเหนื่อยเมื่อยร่าทำอะไรที่ไหนอลไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรกับใครเขามากมายอยู่บ้านก็ได้นอนอยู่สบายๆคนเดียวก็ได้ก็ติดเสพสบายอยู่กับภพบ ความสบายของตัวเองพวกนี้มักจะตกฐานขี้เกียจมักจะตกฐานขี้เกียจไม่ค่อยไปทำงานทำการอะไรกับใครเขาอะเพราะว่าจะติดจะติดพบอันนี้น่าจะติดในลักษณะของความทะเยอทยานแต่ว่าทะเยอทยานในความสุขสุขแบบชนิดที่เรียกว่าเอาเฉพาะตัวเองไม่ใส่ใจใครไม่สนใจใครเป็นลักษณะพวก หรือสีชีพอะไรพวกเนี้ยต่างๆมักจะติดความทะเยอทะยานอันนี้แล้วก็จะหลงมากๆเลยนะหลงว่ายิ่งไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครนะยิ่งไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครเขาเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งยอดเยี่ยมเลยยิ่งชั้นหนึ่งเลยนะจนกระทั่งเรียกว่าเราเนี่ย สบายยิ่งไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยในจิตใจเราแล้วนะไม่ต้องไปสนใจะไรใครเลยโอ้ยสบายเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเป็นความอยากอันนี้แล้วพอได้ก็รู้สึกสบายจริงๆด้วยแล้วก็หลงติดอยู่กับความสบายอันนี้จนกระทั่งบอกแล้วอะไรนะโลกจะลุกเป็นไฟก็บอกลือสีก็ยังนั่งหลับตาอยู่สบายเลย โลกจะลุกเป็นไฟยังไงก็ตามอันนี้คือสภาวะจิตของคนที่นะถ้ามีความทะเยอทยานแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพี่ยงแต่ว่าคุณไปทะเยอทยานในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหรือคุณไปทะเยอทยานแบบเฉพาะเอาความสุขส่วนตัวถ้าเป็นทะเยอทยานแบบวัตถุเข้าของอะไรเนี่ยมักจะเป็นพวกสายกามสายกามที่ เอติดในเรื่องของอะไรอ่ะความบำรุงบำเลในเรื่องของวัตถุเข้าของเงินทองอะไรพวกนี้ภายนอกแต่ถ้ามาเป็นภระวัตัญหาเนี่ยเป็นพวกฤาษีพวกนี้นี่จะติด ก, การบำรุงบำเลภายในไม่กินก็ได้เอาบางทีไม่หลับไม่นอนเอาที่แต่เซฟเซบเสฟ ส, สบายของตัวเอง ไม่ต้องมีบ้านช่องก็ได้นีนน่ี่อีกพวกนั้นนะเนี่ยไอ้พวกแรกเนะี่ยต้องมีวัตถุเข้าของ เ, เยอะๆ อ, อันนั้นพวกหนึ่งเลยยิ่งได้มายิ่งมีความสุขโอ้ยยิ่งแล้วก็ไม่พอด้วยต่อให้รวยจนล้านล้านลลล้า น, า น, านไม่รู้จะเรียกล้านยังไงก็ยังอยากได้อีกนะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอทาเยอะทยานอยู่ตลอดเวลาวันพวกนี้ก็จมทุกอยู่แต่อย่างเงี้ยแหละ เพราะไม่มีอิ่มไม่มีพอไดนะ้ได้ร้อยล้านได้พันล้านก็ยังไม่พอต้องเอาให้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะจริ ง, รงๆแล้วทุกข์ไม่ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่มันห้ามกัน้นจิตใจที่มันทะเยอทยานแบบนี้ไม่ได้จะมามักน้อยจะมาสันโดดเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นแต่พอพวกฤาษีนี่เขาไม่เรียกพวกมัดน้อยไม่เรียกพวกสันโดด น, นะพวกนี้มันเกิน เกินมากน้อยแล้วมันจะไม่เอาเลยอะ่ะมันไม่ใช่แค่น้อยนะอันนี้มันจะไม่เอาเลยอะ่ะพวกฤาษีเนี่ยมันเกินความน้อยอีกนะมันมันจะทิ้งอะไรต่ อ, อให้หมดเลยถ้าเป็นไปได้แต่เขายิ่งทิ้งไปได้เนี่ยเขาจะยิ่งสบายเขายิ่งมีความสุขเพราะเขาคิดว่ายิ่งไม่มีอะไรเลยโอ้โหยิ่งสุขมากๆเพราะนี้เป็นความโต่งอีกลักษณะนหนึ่ง นะจริงๆจะว่าไปก็เป็นอะไรอ่ะผู้ใจท่านถือว่าเป็นการทรมานตนอย่างหนึ่งพวกบริโภคนิยมเนี่ยพวกสังคมทุกวันเนี่ยเขาเรียกบริโภคนิยมพวกนี้ก็ตรงแบบต้องหาวัตถุหาข้าวของหาเงินทองเยอะเยอะนะจริงๆเป็นการทรมานตัวเองนะอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทรมานตัวเองนะไม่อิ่มไม่พอแต่พอพวกเดืสี ทรมานตัวเองอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ก็จะตัดทิ้งหมดเลยบ้านช่องเรื่องชาญตัดทิ้งหมดทรัพย์สินอะไรไม่สําคัญทั้งสิ้นวันพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทรมานตัวเองเท่งนั้นทําให้ทุกข์เท่านั้นนะสองอย่างเนี่ยมันทำ ม, มักน้อยสันโดษอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือความพอดีที่เราเนี่ยไม่ไปติดหลงวัตถุเข้าของเงินทองอะไรต่างๆเราก็ไม่ไปติดหลงมัน เราพยายามใช้ให้น้อยลงแต่ก็ไม่บ้าระห่ำไม่เถเยอทยานบ้าระห่ำแบบชนิดเธอเรียกชนิดเรียกบ้าแบบดูสีอุ้ยหนีไปเลยหนีไปอยู่ป่าเขาถ้าที่ไหนไม่เอาผู้ไม่เอาคนไม่เอาใครทั้งนั้นอั น, นี้มันก็ตรงทรมานไปอีกข้างหนึ่งทิ้งหมดเลยไม่ช่วยเหลือใครไม่ช่วยเหลือพี่น้องคือญ า, าติอะไรผู้คนในโลกนี้เรื่องของของเองเองยังไงก็เรื่องของเอง เนี่ยโลกจะลุกเป็นไฟยังไงเรื่องของเองข้าสบายของข้าแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันยังเป็นตัณหาที่ยังพาให้ทุกข์อยู่อย่างนี้จนกว่าใครจะรู้วิภาวะตัณหาซึ่งเป็นความทยานเหมือนกันแต่เป็นความทะเยอทยานที่รู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักความพอดีของชีวิตมันพยายามใช้ในปัจจัยสี่ที่มันจำเป็นที่มันสำคัญให้น้อยที่สุด เท่าที่เราจะน้อยได้แต่น้อยแบบพอดีไม่ใช่น้อยแบบขี้เหนียวไม่ใช่น้อยแบบทรมานให้ตัวเองเนี่ยโอ้โหขาดแค้นอะไรไปหมดนะอันนี้เป็นเป็นข้อที่ 3, นะสามนะนิสัยทะเยอทยานที่เป็นการมาตัญหากับภวะตัญหาเนี่ยถ้าเราศึกษารู้แล้วพยายามอย่าให้ไปมีอย่างนั้นนะสร้างจิตของเราให้มาเป็นความทะเยอเยานแบบวิภวะตัญหาให้ได้ ข้อสี่กินจุมหาคโสนนภาษาบาลีกินจุไม่ต้องอธิบายมาก อ, ะอ่ะไอ้กินจุเนี่ยน่ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนก็ตะกาผพูดง่ายอะ่ะนะใครอยากจะเป็นแบบนีสายชูชกไม่ไม่ต้องพูดถึงภิกษุเลยภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้าค่อนข้างที่จะมีศีลมีวินยัยมีอะไรกํากับไว้เยอะ ต่อให้อยากจะกินจุก็ถ้าทําตามศีลทําตามวินัยแล้วก็กินจุได้ยังไงก็ได้แค่อิม่มอิ่มเดียวอะ่ะได้แค่อิ่มเดียวเท่านั้นเน่ยนะถ้าถ้าใครไม่ได้เจ็บป่วยได้ใครอะไรเนี่ยนะเพราะว่าผู้เจ้าท่านเสริฐเสริญการฉันอาหารมือเดียวอยู่แล้วนะที่นั่งแห่งเดียวด้วยนะมือเดียวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย วินัยหรือว่าอะไรต่างๆของภิกษุหรือศีลของภิกษุเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มักน้อยให้สันโดษพวกนี้อยู่แล้วเพราะใ น, นโอกาสที่จะกินจุเนี่ยน้อยจุยังไงก็หนึ่งมือจุยังไงก็จุเท่าทีาท่กระเพาะคุณจะจุได้พอนอกมือไปแล้วอยากจะกินนูนอยากจะกินนี่ก็หมดสิทธิ์แต่ในที่นี้เนี่ยที่พพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุเนี่ยว่ากินจุเนี่ย แม้มือเดียวแล้วเขาเนี้ยแม้มือเดียวเนี่ยแหละครูเนยกินจนกริ่งได้ก็ได้บางคนเนี่ยอิ่มแล้วนะจริงจริงเนี่ยอิ่มแล้วท้องมันมันบอกให้รู้แล้วว่าอิ่มแต่ใจเนี่ยใจใจมันตะกะท้องเนี่ยมันตะกะยังไงมันก็ได้แค่มันอิ่มเท่านั้นแหละแต่ใจเนี่ยแหละที่ตะกะมันยังจะกินอีกยังจะกินอีกเพราะความอยากเนี่ย อยากจะกินอยากจะกินอยากจะกินะนะเนี่ยเนี่ยให้เห็นเลยว่าอันนี้ไม่ใช่นิสัยของของผู้เจริญหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมอันเลิก